กระบวนารทำดับทุกข์หรือปฏิจจสมบบาท İ นิรโรธวาระข้อก่อวงจรยาวการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเล็กน้อยเพียงใดก็ตามต้องมีความรู้จริงหรือความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นจึงจะแก้ปัญหาได้สำเร็จมิฉะนั้น ปัญหาอาจยุ่งเหยิงสับสนหรือขยายตัวร้ายแรงยิ่งขึ้นการแก้ปัญหาทั่วๆไปของชีวิตแต่และเรื่องแต่และเรื่องก็ต้องรู้เข้าใจตัวปัญหาและกระบวนการก่อเกิดของมันเป็นเรื่องๆไปจึงจะแก้ไขอย่างได้ผลยิ่งเมื่อต้องการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของชีวิตหรือปัญหาของตัวชีวิตเองโดยจะทำชีวิตให้เป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาหรือให้เป็นอยู่อย่างไร้ทุกข์กันทีเดียว ก็ต้องรู้เข้าใจสภาพของชีวิตที่มีทุกข์และเหตุปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเกิดเป็นทุกข์ขึ้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าต้องรู้เข้าใจสภาพความจริงที่จะช่วยให้ทำลายกระบวนการก่อเกิดทุกข์ของชีวิตลงได้โดยในยะนี้ความไม่รู้หรือความหลงผิดเพราะไม่รู้จริงจึงเป็นตัวการก่อปัญหาและทำให้การดาเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งมุ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือหลุดรอดจากทุก์ กลายเป็นการเพิ่มภูนปัญหาสะสมทุกข์ยิ่งขึ้นในทางตรงข้ามความรู้หรือความเข้าใจตามเป็นจริงจึงเป็นแกนนำของการแก้ปัญหาหรือดับทุกทุกอย่างในกระบวนํารปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาระว่าด้วยการก่อเกิดทุกข์ที่แสดงมาแล้วเริ่มต้นด้วยอวิชชาดังที่เขียนให้เห็นง่ายต่อไปนี้หมายเหตุ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 ในกระบวนํารตรงข้ามคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระว่าโดยการดับทุกข์เริ่มต้นด้วยดับอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาหรือปราศจากความไม่รู้คือมีความรู้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่6ทับประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้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 เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับจรามรณะจึงดับโสกะปริเทวะทุกโทมณตอุปาญาตก็ดับซึ่งกระบวนกา ร, รนี้เท่ากับทุกขนิโรธมีข้อที่ควรทําความเข้าใจเป็นพิเศษคือคําว่านิโรธซึ่งแปลว่าดับไม่ใช่หมายความเพียงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจึงทําให้มันดับไปหมดไปเท่านั้นแต่หมายความกว้างขวา ง, วางรวมไปถึงการที่สิ่งนั้นนั้นไม่เกิดขึ้นไม่ทําหน้าที่ไม่ปรากฏขึ้นมาถูกปิดกั้นระ ง, งับเสียหรือทําให้สงบเย็นให้หมดพิษสง์ก็ได้ดังนั้นคําว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระ จึงไม่ได้หมายถึงเพียงกระบวนการที่จะดับทุกขซึ่งเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่หมายถึงกระบวนธรรมที่ปิดกั้นทุกกระบวนธรรมที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นหรือกระบวนธรรมที่ทำให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยก็ได้และคำว่าอาวิชชาดับก็ไม่ใช่หมายเพียงดับความไม่รู้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่หมายถึงอวิชชาไม่เกิดขึ้นภาวะปราศจากอวิชชาหรือปราศจากความไม่รู้ ได้แก่มีความรู้หรือมีวิชานั่นเองรายละเอียดอย่างอื่นทั้งหมดพึงทราบตามแนวที่ได้บรรยายแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือบทที่4ว่าด้วยชีวิตเป็นไปอย่างไรกระบวนการทั้งฝ่ายก่อเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์อย่างที่เขียนแสดงไว้นี้เป็นวงจรแบบเต็มรูปหรือวงจรยาวคือมีองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยครบทั้ง12หัวข้อ และทำหน้าที่สัมพันธ์สืบทอดต่อเนื่องเรียงกันไปตามลำดับจนครบทุกหัวข้อแต่ความจริงการแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยาวาระหรือกระบวนทําก่อเกิดทุกข์ไม่จําเป็นต้องแสดงตลอดสายครบทุกหัวข้อตามลำดับอย่างนี้เสมอไปในบาลีปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงยักเยื้องเป็นแบบอื่นก็มีสุดแต่ว่าจุดของปัญหาจะตั้งต้นที่ไหน หรือทรงมุ่งย้ำเน้นข้อใดแง่ใดอย่างไรก็ตามกล่าวโดยสรุปไม่ว่าจะทรงแสดงกระบวนธารมฝ่ายก่อเกิดทุกข์เป็นแบบใดก็ตามในฝ่ายดับทุกขกระบวนธารมีหลักทั่วไปแบบเดียวกันคือตั้งต้นแต่ดับอวิชชาไปตามลำดับ